ดูก่อนท่านผู้มีธุระเสมอกันพระกันหกกเอ่ยขึ้นข้าพเจ้าเห็นว่าวันทนีตะตัดสินใจถูกและเห็นด้วยทุกประการความผิดหวังในชีวิตย่อมมีได้เสมอและบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างมากถ้ารู้จักใช้ความผิดหวังนั้นไปในทางพิจารณาเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและทาตนให้ดีขึ้น เพราะปารกความผิดหวังอันนั้นแล้วไม่ประมาทท่านผู้นิรทุต์ผู้ผิดหวังในชีวิตแล้วนำตนเข้าพึ่งร่มธรรมนั้นยังมีคนสูญนมากเข้าใจผิดและมีทีท่าเยียดยามเยาะเย้ยท่านเหล่านั้นแต่ข้าพเจ้ากลับเห็นตรงกันข้ามคือเห็นว่าเขาทาถูกทั้งนี้เพราะการกระทาดังนั้นดีกว่าการฆ่าตัวตาย ดีกว่าการปล่อยตนให้จมลงสู่ห้วงเหวแห่งหายนะตามธรรมดาบุคคลเมื่อประสบทุกข์จิตใจย่อมมืดมนไปด้วยยากที่จะเห็นแสงสว่างตามความเป็นจริงและนำชีวิตเข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้คนส่วนมากจิงยอมตนให้เป็นทาสของสิ่งต่างๆเป็นต้นว่าสุราการพนันและการเที่ยวเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอันตรายต่อชีวิต มีแต่จะกดบุคคลนั้นให้ต่ำลงทุกทีตามระยะเวลาที่ผ่านไปการเข้ามาอบรมจิตใจตามแนวทางของพระบรมศาสดานั้นทำให้บุคคลมองเห็นความผิดหวังซึ่งตนเคยถือเป็นเรื่องจริงจังในสมัยก่อนนั้นเป็นเพียงเรื่องสนุกและความฝันที่ค่อนข้างจะโลดโผนเท่านั้นจริงอยู่ความรักเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ แต่ความทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่จะเกิดแต่ความรักเสมอไปเพราะความทุกข์อาจจะเกิดจากเรื่องอื่นก็ได้ในบรรดาเรื่องอันมากมายของมนุษย์แต่ถ้าไม่มีความรักก็แปลว่าในบรรดาสาเหตุของความทุกข์หลายหลายเรื่องก็ตัดได้ไปหนึ่งเรื่องแล้วเหมือนเชือกที่มัดมือมัดเท้าเราอยู่หลายหลายเกลียวหรือหลายหลายเส้นเมื่อตัดออกได้หนึ่งเส้นก็แปลว่าเครื่องผูกนั้นน้อยลง และโอกาสที่จะหลุดจากเครื่องผูกพันก็มีมากขึ้นถูกแล้วอาวุโสพระสารชาติเสริมความข้อนี้พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไว้แล้วในสมัยเมื่อพระองค์พระทับนะวัดเชตวันเรื่องก็มีว่า ภิกสุทั้งหลายเห็นพวกโจรถูกพันธนาการด้วยคือคาและเครื่องจำจองอื่นๆมั่นคงถาวรไม่สามารถทำลายได้จึงนำความกราบทูลเล่าให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พ, พระบรมศาสดาตรัสว่าที่สุทั้งหลายเครื่องจองจำคือกิเลสกล่าวคือความผูกพันในทรัพย์สมบัติและบุตรพัญญาเป็นต้น มั่นคงยิ่งกว่าเครื่องจองจาภายนอกกว่าร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นวม่ได้เรียกเครื่องจองจําที่ทาด้วยเหล็กเป็นต้นว่ามั่นคงอะไรเลยแต่ทรัพย์สมบัติและบุตรัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องผูกพันหย่อนหย่อนแต่ปลดปลื้งได้ยากนี่แหละเป็นเครื่องผูที่มั่นคงนัก แต่บัณฑิตทั้งหลายก็ยังตัดเครื่องผูกล่าวนั้นให้ขาดแล้วออกบวชได้ทุกรูปเงียบกันไปครู่หนึ่งเหมือนจะตรองความจริงจากชีวิตและให้รถธรรมจากพระพุทธภาสิทธ์ซึมซาบเข้าสู่จิตใจอันเปรียบเสมือนดอกบัวที่แย้มกลีบรอรับแสงพระอาทิตย์คือพระธรรมและพระธรรมชาติก็กล่าวต่อไปว่าพระดา ทุกคนย่อมมีโอกาสหลงทางชีวิตได้ทั้งสิน้นเพราะทางชีวิตนั้นทั้งลื่นทั้งรกและทั้งคตเคี้ยวแต่ผู้มีปัญญาพยายามเดินให้ถูกทางและมีความระมัดระวังพอควรหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็จะมีความผิดพลาดน้อยลงการรู้จักกลับตัวเหมือนล้มแล้วรู้จักลุกขึ้นเป็นคุณสมบัติของผู้ก้าวหน้าในเส้นทางชีวิต ทางคดีโลกและคดีธรรมข้าพเจ้าเข้าใจว่าการกลับตัวนั้นไม่มีวันสายตราบเท่าที่บุคคลผู้นั้นมีชีวิตอยู่คนส่วนมากมักจะเก็บเอาความผิดพลาดในอดีตมาทรมานใจตนเองเล่นและไขว่คว้าหาอนาคตที่ยังอยู่ไกลเหลือเกินมาล่อให้จมรนแล้วก็หาความสุขในชีวิตไม่ได้ท่านผู้เจริญอดีตก็ล่วงไปแล้ว อนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาและกระทําให้ถูกต้องถ้าทําได้ดังนี้แล้วอดีตก็จะดีและอนาคตก็จะพลอยดีไปด้วยเพราะวันนี้จะต้องเป็นอดีตของพรุ่งนี้และพรุ่งนี้ก็คืออนาคตของวันนี้เพราะฉะนั้นการทําดีในวันนี้ได้ชื่อว่าสร้างอดีตให้ดีและสร้างอนาคตให้งาม เป็นที่บันเทิงใจเมื่อนึกถึงอันนี้เป็นความสุขที่หาได้ไม่ยากนักแต่คนส่วนมากก็หาไม่พบเพราะมัวเก็บเอาอดีตและไขว่คว้าอนาคตมาให้ใจวุ่นวายเล่นเรื่อยๆบุคคลผู้พยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดชื่อว่าสร้างทางชีวิตอันราบรื่นของตนไว้ภายหน้านั่นเอง สนทนาทั้งหมดเงียบไปอีกครู่หนึ่งพระธรรมชาติจึงเอ่ยขึ้นว่าอาุโสท่านกันหกะยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรสู่กันฟังเลยถ้าท่านไม่ขัดข้องเราก็อยากจะฟังเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของท่านหรือเรื่องราวซึ่งท่านประสบพบเห็นมาอันพอจะเป็นตัวอย่างแก่ชีวิตได้บ้างจริงสิท่านผู้เจริญพระสารชาติเสริม เวลาของเรายังมีอยู่ถ้าไม่เป็นการรบกวนและลําบากแก่ท่านก็ขอได้โปรดเล่าเถิดข้าพเจ้าและท่านธรรมชาติพอใจที่จะฟังคำของท่านข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าจะเล่าข้าพเจ้าก็ปรารถนาจะเล่าเรื่องของข้าพเจ้าเองเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้มีเรื่องมากอยู่ถ้าท่านทั้งหลายไม่รังเกียจที่จะฟังเรื่องส่วนตัวข้าพเจ้าก็ยินดี ที่จะเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังทั้งนี้บางทีอาจจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาปัญหาต่างสําสำหรับท่านทั้งสองและอาจจะเกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยคำแนะนาและแง่คิดจากท่านนั้นด้วยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นนายทหารท่านคงทราบดีว่าหน้าที่ของทหาร น, นั้นคืออะไรและอย่างไรทหารมีความอาพับอยู่อย่างหนึ่ง คือในยามปกติเมื่อไม่มีศึกสงครามคนทั้งหลายก็จะมองทหารในแง่ต่ำต้อยและเกือบไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เมื่อสงครามระหว่างแคว้นระหว่างประเทศเกิดขึ้นผู้ที่ต้องเอาเลือดทาแผ่นดินคือทหารอนณาเขตของทุกๆประเทศต้องรักษาการด้วยเลือดและเนื้อข้าพเจ้าเป็นนายทหารและเป็นด้วยความรักไม่ใช่ถูกบังคับกะเกณอะไร ตระกูลของข้าพเจ้าเป็นทหารกันมาหลายชั่วคนครั้งหนึ่งข้าพเจ้าต้องไปราชการศึกท่านผู้เจริญเวลานั้นข้าพเจ้ามีคนรักแล้วอาริยาเธอเป็นคนค่อนข้างสวยแม้จะไม่สวยบาดตาบาดใจแต่เธอก็อยู่ในขั้นที่พอจะเรียกได้ว่าสวยงามทีเดียวร่างอันสูงโปร่งผิวขาว ในตาคมมีแววซึง้งและที่สำคัญที่สุดคือความดีความนุ่มนวลอ่อนหวานความช่างเอาอกเอาใจเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้ารักเธอและเธอก็รักข้าพเจ้าเช่นเดียวกันแม้เราจะมิได้พบกันเสมอหรือบ่อยๆเพราะประเพณีคอยกีดขวางไว้และเราทั้งสองก็ยินดีปฏิบัติไม่ยอมฝ่าฝืนระเบียบประเพณีใดๆทั้งสิ้น แต่เราก็พบกันได้เมื่อต้องการพบหรือมิธุระจำเป็นเมื่อข่าวสงครามระเบิดขึ้นและขบเจ้าซึ่งรู้หน้าที่ของขบเจ้าดีว่าจะต้องไปราชการศึกแน่นอนขบเจ้าได้พบเธออีกครั้งหนึ่ง เราล่ำรากันด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่งท่านผู้เจริญเมื่อนึกถึงว่าการไปของข้าพเจ้าเป็นการจากไปอย่างเสี่ยงอันตรายและไม่แน่ว่าจะเอาชีวิตกลับมาได้อีกหรือไม่แล้วเธอก็ร้องไห้ข้าพเจ้าเป็นชายชาติทหารจะให้น้ําตามาปรากฏต่อหน้าสตรีนั้นข้าพเจ้าทําไม่ได้แต่ข้าพเจ้าก็รู้ดีว่า นตาของข้าพเจ้ามนตกในและเศร้าโศกอาลัยไม่น้อยกว่าอารยาเลยแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ต้องจากเธอไปจากเพื่อน้าที่และชาติบ้านเมืองพระดรเอย๋ยข้าพเจ้าเคยเข้าสงครามใหญ่มาไม่น้อยกว่าสามครั้งแล้วแต่มันไม่ใหญ่เหมือนครั้งนี้เลยทั้งนี้เพราะในครั้งก่อนๆข้าพเจ้ายังไม่มีคนรักคอยอยู่เบื้องหลัง ขปเจ้าตัวคนเดียวและขพเจ้าเคยต่อสู้ข่าศึกอย่างไม่คิดชีวิตขพเจ้าชอบสงครามและรักสงครามแต่คราวนี้ขพเจ้าเกลียดสงครามและชังมันเสียเหลือเกินที่ขพเจ้าว่าศึกครั้งนี้เป็นศึกใหญ่นั้นเพราะขพเจ้าต้องสู้ศึกทั้งสองด้านคือศึกภายนอกและศึกภายในทั้งศึกเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เมื่อขบวนทับเคลื่อนออกจากเมืองหัวใจของข้าพเจ้าเหมือนถูกปลิดทิ้งไว้ณที่นั้นเองสหายเอย๋ยเมื่อข้าพเจ้ามาพบพระพุทธภาสิทธตที่ว่าการต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์ข้าพเจ้าจึงทราบซึ้งและเห็นจริงทุกประการเพราะข้าพเจ้าเคยประสบมาด้วยตนเองแล้ว พระดอนตลอดเวลาที่อยู่ในกองทัพเพื่อป้องกันและย่ำยีศัตรูข้าพเจ้าพยายามหักห้ามใจมิให้คิดถึงอารยาข้าพเจ้าคิดถึงหน้าที่และปลงใจว่าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งใดหมดในที่สุดข้าพเจ้าก็พอหักห้ามใจมิให้คิดถึงเธอสิบ้างท่านจะนึกว่าข้าพเจ้าเป็นทหารที่เลวก็ว่าเถิดข้าพเจ้าไม่โทษท่านเลย ข้าพเจ้าไม่เคยกลัวศัตรูและไม่เคยวันวิตกกับชีวิตเพราะชีวิตทหารได้รับการอบรมให้แข็งแกร่งอยู่เสมอแต่มาคราวนี้ข้าพเจ้ากลัวตายและวันวิตกไปต่างๆนาน า, นาท่านผู้เจริญท่านพอจะบอกข้าพเจ้าได้ไหมว่าความรักทําให้คนกล้าหรือทําให้คนขาดอาวุโสพระธรรมชาติเอ่ยขึ้น ปัญหาที่ว่าความรักทำให้คนกล้าหรือให้คนคลาดนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างคนอาจจะคลาดที่สุดและกล้าที่สุดก็ตอนที่กําลังมีความรักนั่นเองพราดาอาการของท่านที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีอารยาอยู่เบื้องหลังมิใช่หรือถ้าสมมติว่าอารยาถูกจับและกําลังอยู่ในระหว่างอันตรายข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านจะเป็นคนกล้าที่สุดท่านจะต้องฝ่าฟันและยอมสละแม้ชีวิตของท่านเพื่อเอาคนรักกลับคืนมาให้ได้ข้าพเจ้าขอสรุปสั้นๆว่าบุคคลจะขลาดถ้ามีสิ่งอันเป็นที่รักอยู่เบื้องหลังอุโสท่านเคยได้ยินมิใช่หรือถึงเรื่องของบุคคลบางคนผู้ซึ่งกล้าหาญที่สุดแต่มากลัวบุคคลที่ตนรักนั่นเอง ความรักจึงทำให้บุคคลเป็นได้หลายอย่างทำให้คนเป็นนักพจนภัยเป็นคนอคติเป็นมหาโจรเป็นคนใจดีที่สุดและใจร้ายที่สุดรวมความว่าความรักอาจทำให้เป็นคนสมบูรณ์และเสียคนได้เท่าๆกันพระกันหักะเล่าต่อไปว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริงๆ ทังมีกำลังมหาศาลอะไรไม่ทราบได้ทําให้กษัตริย์เข้มแข็งทนทานและกล้าหาญอย่างประหลาดสงครามท่านผู้เจริญสงครามเป็นสภาพที่เลวร้ายมนุษย์ต่อมนุษย์ต่างประหัตประหารกันล้มตายระเนระนาดมนุษย์ที่หันหน้าฟาดฟันกันนี้ได้อะไรบ้างต่างฝ่ายต่างก็ย่อยยับปนปี้ทั้งฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ อาวุโสพระสาริชติช่วยเสริมความจริงก็เป็นอย่างที่ท่านกล่าวนั่นแหละความมักใหญ่ไฟสูงและดวงใจที่ไร้ศีลธรรมของคนบางคนนั่นเองทำให้มนุษย์นับจํานวนหมื่นจํานวนแสนต้องทนทุกทรมานและพลัดพรากจากบุตรปัญญาและสิ่งอันเป็นที่รักอื่นๆต้องพิกลพิ ก, การบอบชำ้ำบางทีก็เพื่อสนองความอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุด ของคนเพียงคนเดียวหรือสองคนเท่านั้นนอกจากนั้นผลของสงครามยังเป็นผลร้ายทางจิตใจหรือประมาณในระหว่างสงครามคนย่อมเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบช่วงชิงอำนาจและสิ่งที่พอจะเอามาเป็นของตนได้อย่างไรแม้สิ้นสงครามแล้วความเป็นไปอันนั้นก็คงยังมีอยู่ช่วระยะหนึ่ง และถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยลงด้วยวิธีอัญชลาดผลร้ายอันนี้ก็จะต้องสืบเนื่องติดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดดังตัวอย่างที่ท่านทั้งหลายพอจะมองเห็นอยู่บ้างแล้วมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวและหน้าวันวิตกยิ่งนักท่านผู้เจริญในเดือนที่สามนับแต่เริ่มรบกบเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ถูกจับเป็นเฉลย ในวันรุ่งขึ้นทหารทางฝ่ายข้าพเจ้าได้เห็นศรีรษะคนถูกเสียบไวนะ้ณป้อมปราการของค้ายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศรีรษะทหารแน่ๆไม่น้อยกว่าหถึงเจศรีรษะและทุกคนก็ลงความเห็นว่าในบรรดาศรีรษะเหล่านั้นเป็นของข้าพเจ้าศรีรษะหนึ่งด้วยเหมือนกัน แต่ท่านผู้เนิรทุกสงครามครั้งนี้เป็นสงครามแย่งดินแดนระหว่างประเทศของข้าพเจ้ากับอีกประเทศหนึ่งต่อมาอีกหเดือนสงครามแย่งดินแดนก็สิ้นสุดลงโดยมีผลปรากฏว่าประเทศของข้าพเจ้าเป็นฝ่ายชนะทหารที่ถูกจับเป็นเชลยพร้อมกับข้าพเจ้าถูกฆ่าตายหมดจริงๆตามที่ทุกคนเห็นท่านอาจจะแปลกใจและตั้งคําถามอยู่ในใจว่า ข้าพเจ้ารอดชีวิตมาได้อย่างไรข้าพเจ้ากําลังจะเล่าให้ท่านฟังอยู่เดี๋ยวนี้ท่านผู้เจริญนับถอยหลังจากนี้ไป9ปีเมื่อข้าพเจ้าเรียนวิชาทหารอยู่ข้าพเจ้ามีเพื่อนร่วมสํานักอยู่มากมายในรุ่นเดียวกันในบรรดาเพื่อนเหล่านั้นมีคนหนึ่งชื่อสัจกะเขาเป็นคนอาภัพยอยู่สองประการคือเป็นคนที่มีรูปร่างไม่งามประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งสัจกะเป็นคนยากจนแต่ด้วยใจรักวิชาทหารเขาจึงตัดสินใจมาทางนี้และในสำนักเรียนนั้นเองสัจกะถูกดูหมินเหยียดหยามและการแกล้งนานาประการแต่สัจกะก็ไม่อาภัพไปหมดทุกประการเขามีพรอันประเสริฐติดตัวมาด้วยนั่นคือความเข้มแข็งอดทนและสมองอันปราดเปรื่องความสุภาพอ่อนโยนและเห็นใจคนอื่นไปหมด สัจกะตั้งใจจะช่วยคนทุกคนแต่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครมีขพเจ้าคนเดียวที่เขาทั้งรักและนับถือแม้อายุเราจะรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งนี้เพราะขพเจ้าไม่เคยพูดอะไรให้แสลงหูสัจกะเลยและขพเจ้าคอยช่วยเหลือในเรื่องเงินทองและอื่นๆเท่าที่จําเป็นในเวลานั้นขพเจ้าไม่ได้ถือสัจกะเป็นเพื่อนรักหรืออะไร แต่ข้าพเจ้าทำไปเพราะเห็นแก่มนุษยธร ร, รมข้าพเจ้าคิดว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้มีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ในที่สุดข้าพเจ้าและพเพื่อนๆนก็สําเร็จวิชาทหารจากสํานักเรียนแห่งนั้นศัจกกลับประเทศของตนด้วยความสําเร็จอย่างงดงามสมปรารถนาและประเทศของเขาก็คือประเทศที่ข้าพเจ้าถูกจับเป็นเฉลยในครั้งนั้นเอง ข้าแต่ท่านผู้เป็นโคโดมมงจะเป็นเพราะบุญที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้ในชาติก่อนหรือจะเป็นเพราะบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําความดีต่อสัจกะมาเมื่อสมัยเป็นนักเรียนด้วยกันข้าพเจ้าหาทราบใหม่ข้าพเจ้าถูกจับเป็นเฉลยแต่อยู่ในอรารักขาของสัจกะสัจกะเป็นนายทหารแห่งประเทศนั้นและถูกแต่งตั้งให้ควบคุมเฉลยศึกในสงครามครั้งนี้ครั้งแรกที่สัจกะเห็นข้าพเจ้า เขตกตะลึงงงงนันและข้าพเจ้าก็ประหลาดใจไม่น้อยไปกว่าเขาเหมือนกันแต่ในเวลานั้นเรามิได้พูดอะไรกันเลยเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นนายทหารคนเดียวที่ถูกจับสัจกะจึงถือเป็นข้ออ้างในเรื่องจะเอาข้าพเจ้าไว้สืบความรับต่างๆและขอนําไปควบคุมเป็นส่วนตัวทีเดียวส่วนทหารธรรมดานอกจากข้าพเจ้าถูกฆ่าตายหมดในวันรุ่งขึ้นดังกล่าวแล้ว ท่านผููเจริญขป้าเจ้าถูกคุมขังอยู่ในกองทัพซึ่งมีสัจกะเป็นผู้ควบคุมเฉลยศึกอยู่เป็นเวลาหกเดือนจนสงครามสิ้นสุดลงและด้วยการช่วยเหลืออย่างฉลาดของสัจกะขป้าเจ้าจึงรอดชีวิตมาได้ด้วยประการดังกล่าวมานี้ขป้าเจ้าจึงรู้สึกในคุณค่าของความดีและสหายที่ดีเหลือเกินขป้าเจ้าคิดว่าถ้าสัจกะจะฆ่าขป้าเจ้าเสีย ก็ไม่น่าจะมีโทษอะไรสำหรับเขาเพราะเป็นการฆ่าคนที่เป็นศัตรูต่อประเทศของเขาเองและถ้าสัจกะจะทรงข้าพเจ้ากลับตั้งแต่สงครามยังไม่สิ้นสุดลงข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาก็คงทำได้แต่สัจกะทำถูกทุกอย่างขอปล่อยข้าพเจ้าได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าเป็นนายทหารแห่งกองทัพที่กำลังรบติดพันกับประเทศของเขาอยู่และเขาจะฆ่าข้าพเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อข้าพเจ้าเป็นเพื่อนที่เคยช่วยเหลือและมีอุปการะต่อเขามาเมื่อสมัยที่ยังศึกษาอยู่ด้วยข้าพเจ้าคิดว่าการที่จะมีมิตรที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อมิตรและประเทศของตอนนั้นไม่ใช่จะเป็นการหาง่ายนักพระธรรมชาติช่วยเสริมว่ามิตรแทร้หาได้ยากไม่เหมือนมิตรปลอมหรือมิตรเทียมมิตรแทร้ต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในยามวิบัติขัดข้อง ถือเอาเป็นภาระทุระในการช่วยเหลือมิตรในทางที่ถูกที่ชอบและไม่ส่งเสริมในทางที่ผิดที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงสำเนีจอศษาและจดจําไว้ว่าทําชั่วคอยส่งเสริมทําดีคอยกีดกันนั่นคือศัตรูทําดีคอยส่งเสริมทําชั่วคอยกีดกันนั่นคือมิตรอุโสสมัยหนึ่งพระอนนุเถระ เข้าสู่ที่เรนเป็นการพักผรนตรึกตรองรมท่านมีความคิดเกิดขึ้นว่ากลยานมิตรมีคุณค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของพรมจรรย์ทั้งหมดแต่ท่านไม่แน่ใจว่าความคิดของท่านจะถูกต้องหรือไม่เมื่อออกจากที่เรนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงความคิดของท่านพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าอา น, นุนเธออย่าคิดอย่างนั้น กลยานมิตรไม่ใช่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวทั้งนี้เพราะบุคคลได้อาศัยกลยานมิตรเช่นกับเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงอาวุโสข้อที่ข้าพเจ้ายกพระพุทธพจน์มากล่าวนี้เป็นปริยายเบื้องสูงเมื่อจะกล่าวในฐานะธรรมดาสามัญมิตรก็มีส่วนเป็นอันมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งในการที่จะทาให้คนทาดี ทำชั่วหรือโน้มเอียงไปในทางดีหรือทางชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อถูกทูลถามเพื่อให้ตรัสบอกมงคลชีวิตพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมคือการไม่คบคนผ่านไว้เป็นอระการแรกและให้คบบัณฑิตเป็นประการที่สองอุสการครบคนผ่านย่อมเหมือนการจับงูที่เปื้อนคูดย่อมมีอันตรายสองประการคือการถูกงูกัด หรือถ้ามันไม่กัดมือของผู้จับก็เปื่อนคูดการครบคนพานก็เป็นเช่นนั้นหรือการสมาคมด้วยภิกษุผู้ไม่มีศีลก็เช่นเดียวกันคือย่อมถูกคนพานนั้นทําอันตรายด้วยการชักชวนให้ทําความชั่วมีประการต่างๆอันเปรียบเหมือนการถูกงูกัดหรือมิฉนั้นผู้สมาคมก็ได้ชื่อว่าสมาคมด้วยคน่านเป็นที่ตาหนิของสัพุรุชน อันเปรียบเหมือนมือที่ปื้นคูดแต่การพูดด้วยนั่งด้วยกับคนผ่านด้วยหวังจะอนุเคราะห์และแนะนําเพื่อให้เขากลับเป็นคนดีย่อมเป็นการสมควรและชอบด้วยเหตุผลข้อความดังกล่าวนี้ก็เป็นพระพุทธดํารัสของพระบรมศาสดาแต่โดยทางตรงกันข้ามบัณฑิตย่อมอํานวยแต่ประโยชน์ให้ นำความชุ่มชื่นมาสู่สมาคมแม้ด้วยการนั่งใกล้การเจรจาและคําแนะนำอันเต็มไปด้วยสาระและอัธรรสอันพึงปฏิบัติตามอาวุโสอีกประการหนึ่งการที่ท่านได้รับความปลอดภัยในการที่ตกเป็นเฉลยศึกในครั้งนั้นเห็นจะเป็นเพราะอนิสงส์ที่ท่านได้ช่วยเหลือและกรุณาต่อสัจกะเพื่อนของท่านในคราวที่ เขาได้รับความทุกข์ยากลําบากนั่นเองดูก่อนท่านผู้เป็นอริยชาติข้าพเจ้าเคยฟังมาว่าผู้ใดไม่ช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยเหลือและช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือผู้นั้นเมื่อประสบความเสื่อมเพราะอยู่ในอันตรายเป็นต้นย่อมได้สหายส่วนผู้ได้ช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือผู้นั้นเมื่อประสบอันตราย ย่อมไม่ได้สหายอวโสความจริงข้อนี้พิสูจน์ได้แล้วด้วยชีวประวัติของท่านตามที่ท่านเล่ามานั่นเองพระธรรมชาติซึ่งนั่งฟังอยู่อย่างตั้งใจในคำกล่าวของท่านสารชาติได้เอ่ยถามขึ้นว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญคำว่ากลยานมิตรเป็นพรหมจรรดนั้นหมายความว่ากไรขอได้โปรดชี้แจงให้ข้าพเจ้าทราบด้วยอาวุโสก่อนอื่นท่านควรจะทราบคำว่าพรหมจรร์และความหมายของคำนั้นสิก่อนพรหมจรร์ตามพยัญชนะก็เพียงแต่แปลว่าการประพฤติหรือความประพฤติอันประเสริฐหรือการประพฤตตนเยี่ยงพรม ส่วนใหญ่ย่อมหมายถึงการงดเว้นจากกามแต่ในความหมายที่แท้จริงหรือถ้าจะถอดเอาแต่ความแล้วก็หมายถึงระเบียบและวิธีการครองชีวิตที่ทุกขเข้าไม่ถึงย่ำยีไม่ได้นี่กล่าวโดยปริยายเบื้องสูงแต่เมื่อว่าโดยธรรมดาสามัญพรหมจันท ร, ร์เป็นชื่อของคุณธรรมต่างๆเช่นการให้ทานเป็นต้นเท่านั้นเองเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและจำได้ พรหมจรรย์อย่างน้อยก็มี1ิบอย่างคือทานการให้แบ่งปันสิ่งของของตนแก่ผู้ที่ควรให้หนึ่งการช่วยขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการต่างๆอันชอบธรรมหนึ่งการรักษาศีลห้าหนึ่งเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันแผ่ไปทั่วไม่จำกัดบุคคลทั่วทุกทิศด้วยสภาพจิตอันผ่องแผ้วปราศจากนิวรณ์หนึ่ง การเว้นเมตุนธรรม 1. การพอใจแต่ในพัญญาของตนหความภาคเพียรพยายาม 1. การรักษาอุโบสถศีลหนึ่งมักขาอันประเสริฐนำผู้เดินให้ห่างไกลาจากศัตรูทั้งภายนอกและภายใน 1. คำสอนของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 1. ทั้งหมดนี้แต่และอย่างล้วนเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นโดยที่สุด แม้ผู้มีพัญญาแต่ยินดีในพัญญาของตนและสตรีซึ่งมีสามีและพอใจแต่ในสามีของตนไม่ล่วงเลยน้ำใจของกันและกันซื่อสัตย์สุจริตต่อกันก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ได้ตามในนี้ท่านจะเห็นได้ว่าคำว่าพรหมจรรย์นั้นเป็นชื่อของคุณธรรมตั้งแต่เบื้องต่ำไปหาเบื้องสูงเท่านั้นถ้าท่านพิจารณาท่านก็พอจะจับเขาได้ว่าในพรหมจรรย์ ทั้งสิบประการนี้ท่านแสดงตั้งแต่ขั้นธรรมดาธรรมดาและสูงขึ้นมาตามลำดับจนถึงอริยมรรคและศาสนาอันหมายถึงสิกขาสามคือศีลสมาธิและปัญญาอันที่จริงก็คืออริยมรรคนั่นเองในสองประการสุดท้ายนี่แหละสรุปลงในคำที่ว่าพรหมจรร์คือระเบียบพิธีการครองชีวิตซึ่งทุกเข้าไม่ถึงย่ำยีไม่ได้ อวุโสท่านพอจะมองเห็นตามพระพุทธดำรัสแล้วไม่ใช่หรือว่ากายานมิตรเป็นพรหมจรรท์ทั้งสิ้นได้อย่างไรสาธุท่านพูดต่รเลยคำกล่าวของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักขปเจ้าและท่านกันหกะจะทรงจำความข้อนี้ไว้ตลอดไปพิสุทั้งสามนิ่งเงียบกันไปสักครู่หนึ่งเวลานั้นสายันหั ก, การกาลังคืบคลานเข้ามาแทนที่ แสงแดดแพดกล้าในยามบ่ายก็พรน ล, ลงแสงอาทิตย์ทอดตัวลอดลงมาทางช่องว่างแห่งพึกษชาตินาน า, นาพันปรากฏเหมือนจะจับฉวยได้ด้วยมือแต่ก็เปล่ามันไม่ปรากฏตัวเลยสำหรับผู้เข้าใกล้ก่อให้เกิดความสำนึกในธรรมแก่ท่านผู้บำเพ็ญพรตว่าอัตภาพร่างกายนี้ก็ฉันนั้นคือปรากฏเป็นรูปร่างหน้าพิสมัย อุ้มชูเชยชมและยึดถือจับฉวยแก่ผู้มิได้พิจารณาอย่างรอบครอบเท่านั้นแต่ผู้รู้ย่อมไม่คล้องไม่ติดอยู่และหลงยึดอัตภาพนี้ว่าเราว่าของเราข้าแต่ท่านผู้แสวงหามรคาแห่งอมะตะพระกันหะักะเล่าต่อไปตามคำขอร้องของพิสุ์ทั้งสอง ข้าพเจ้ากลับจากสงครามด้วยดวงใจอันพองโตแม้จะถูกจับแต่ข้าพเจ้าก็ได้พบความจริงอันหนึ่งในชีวิตว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสูญไปได้และคอยจะหาโอกาสให้รางวัลแก่คนดีอยู่เสมออีกประการหนึ่งข้าพเจ้าจะได้กลับมาพบอริยาอันเป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้าเพื่อนๆ น, นายทหารด้วยกันแสดงความยินดีปรีดาอย่างเหลือลน้น เมื่อทราบว่าข้าพเจ้ามิได้ตายและกลับมาได้อย่างปลอดภัยและมีการเลี้ยงฉลองข้าพเจ้าอย่างมโหฬารและมารดาบิดาของข้าพเจ้าเข้าโอบกอดข้าพเจ้าด้วยน้ําตาแห่งความปลื้มปราณีท่านผู้เจริญเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ทําให้ข้าพเจ้าพลอยสนุกกับเขาไปด้วยชั่วคราวแต่ข้าพเจ้าจะสนุกได้เต็มที่อย่างไร ในเมื่อครึ่งดวงใจแห่งข้าพเจ้าได้ถูกอริยาเท็ิไปไว้เสียแล้วข้าพเจ้ายังมิได้พบอริยาและข้าพเจ้าคิดถึงเธอเหลือเกินแต่พอกลับมาถึงข้าพเจ้าก็ถูกห่อมล้อมด้วยเพื่อนฝูงมารดาบิดาญาติผู้ใหญ่ผู้น้อยจนไม่มีเวลาปลี่ตัวไปได้เลยถ้าข้าพเจ้าจะไปให้ได้ก็ดูเหมือนจะเป็นการไม่เหมาะและมากเกินไปดังนั้น ในความรู้สึกของข้าพเจ้าราตรีนั้นช่างเนิ่นนานและผ่านไปอย่างเช่มช้าเหลือเกิน